ไม่ทุกเนี่ยมันเป็นสภาพของขณะจิตเดียวเหมือนกันที่มันไม่ทุกแต่ถ้ามันขณนะจิตนั้นหลงไปเนียมันก็จะขณะดเดียวก็พาเราพลดด้วยความรวดเร็วทุกทันทีเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่ในการปฏิบัติธรรมของเราประจาวันเนี่ย ผมอยจะบอกว่าเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าเมื่อวานดีกว่าวันนี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานเรื่องนี้เคยไม่โกรธโกรธอีกแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ ย, ยทำไมเราวันนี้เป็นขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปตัดสินให้ค่าอะไรกับว่าวันนี้เราแย่ลงหรือเราดีขึ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มัน เป็นกิเลสหรือว่าเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้เพราะว่าจิตใจเราเนี่ยังมีแต่โมหะมันยังมีเชื้อที่มันจะก่อให้เกิดกิเลสเกิดทุกข์ได้มันยังมีอยู่มันเกิดขึ้นจะเข้มข้นขนาดไหนก็นตามขอให้เรารู้ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้ดัง น, นั้นคือรากเหง้าของกิเลสที่มันยังไม่โดนชําระหรือเรียกว่าสังโยชน์มันยังไม่ขาดมันก็ยังต้องมีอยู่เราไม่ต้องไป โทษตัวเองหรือว่าตีดเตดียนตัวเองเราจะตีดเตดียงก็ต่อเมื่อเราหลงเข้าไปในมันหลงเข้าไปคลิปหลงเข้าไปตเติมปรุงแต่งอะไรเราค่อยๆวิวัว่าตัวเองว่าเราพลาดอีกแล้วแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับของเก่ากับของที่เราคาดหวังว่าควรจะเป็นความไม่ทุกข์เนี่ยมันคือความไม่ทุกข์เลย มันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเมื่อก่อนเราโกรธเท่านี้ปฏิบัติไปเราก็ต้องลดความโกรธเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าค่อยๆลดอะไรแบบนั้นนะมันก็แหมมันก็จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าใช่มันก็ไม่ใช่อ่โอเคมันก็มีบ้างเลอที่มันเป็นทยอยแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนบางทีมันก็พีตขับไปหนักกว่าเดิมก็มีที่เรียกว่าอยู่ในช่วงของนเวลมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ แต่ที่ผมบอกว่าความไม่ทุกเนี่ยมันคือหมายความว่ามันขนาดเดียวคือไม่ทุกคือไม่ทุกเลยไม่เกี่ยวบอกว่าไปแล้วทุกหน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็อ๋อปกติแล้วไม่ทุกไม่ใช่แบบนั้นความไม่ทุกคือไม่ทุกเลยไม่ใช่ว่ามีนิดหน่อยแล้วก็หายเร็วหรือว่ามีเยอะแล้วหายเร็วหรือว่าเออไม่ใช่แบบนั้นเฮ้ยนะสุดท้ายเราไปสู่ความไม่ทุกเลย ความไม่ทุกข์เลยโดยสิ้นเชิงเราไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนดูเราจิต ด, ดีกว่านี้นะตอนนี้จิตไม่ค่อยดีจิตตกจิตเสียอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเลยมันเป็นเวกมันกำลังขึ้นขึ้นลงๆของมันอยู่มันอยู่ในช่วงทรานส์ฟอร์มอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตัดสินอะไรทั้งนั้นมีแค่หน้าที่ รู้สึกตัวไม่ต่างความคิดไปพอมันปกติแล้วก็เห็นมันหน้าที่มีแค่นี้ไม่ต้องจัดตัวเองไม่ต้องตัดสินตัวเองในขณะที่มันเกิดความมืดขึ้นมาแล้วไม่ว่ามันจะมืดน้อยหรือมืดมากไม่ว่ามันจะมืดดำหรือมืดเทาๆมันมืดเหมือนกันมันเท่ากันจนมันมืดลงผลการปฏิบัติรายวันไม่ต้องเป็นซีเรียสสิ่งที่เราต้อง ซีเรียสก็คือว่าเราทำหน้าที่เราสามอย่างนั้นที่บอกสมบูรณ์หรือยังแค่นั้นเราทำได้ดีพอหรือยังในหน้าที่นั้นส่วนผลรายวันเรือนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปเทียบขนาดนั้นเราเทียบตอนไม่ทุกเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมให้เป็นคล้ายๆตัววัด อยู่ประจําอยู่แล้วก็คือว่าให้สังเกต ว, ว่าถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ความคิดฟุ้งซ่านเราจะน้อยลงเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นความรู้สึกเราเนี่ยเป็นปค่อยออกไปขอางนอกมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะขึ้นจนเรารู้สึกว่ารู้สึกเองหลือว่าเออเดี๋ยวนี้เราไปอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะขึ้นคนโบราณ น, นี่ก็จะขอให้พูดเด็กๆเรื่องมาให้มีใจอยู่กับเนื้อกับตัวอไย่างนี้นะ รเรียกขวัญเรียกอะไรมาให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเงี้ย น, น, นี่เป็นธรรมะขั้นสูงของคนโบราณ <c oughs> เขาให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวเน่ยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวเน่นั่นเรากําลังปฏิบัติธรรมแล้วนั่นเรากําลังอยู่ในทางเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะวัดผลการปฏิบัติให้วัดแบบนี้วัดว่าความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวเรามากขึ้นสิ่งนี้เป็นผลให้ ความคิดปุ้งซ่านมันน้อยลงมันก็เนื่องกันก็อยู่ที่ขคอความรู้สึกตัวแค่นั้นจนเราทำไื่อยเดี๋ยวมันก็อัตโนมัติอันนี้ก็กลับมารู้สึกตัวเองกลับมาดูใจตัวเองกลับมาเช็คอารมณ์ตัวเองนึกขึ้นได้บ่อยๆเองนี่ก็เป็นอัตโนมัติระดับหนึ่งเรียกอัตโนมัติเหมือนกัน แต่อัตโนมัติก็มีหลายระดับเหมือนที่ปกติก็มีหลายระดับเหมือนกันอัตโนมัติก็มีหลายระดับอัตโนมัติจนถึงขั้นอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องคิดว่าจะต้องทําอะไรด้วยไม่ต้องคิดว่าจะรู้สึกตัวด้วยไม่ต้องคิดว่าจะต้องมาดูกายดูใจด้วยอะไรเงี้ยไม่มีเงื่อนไขอะไรในชีวิตตั้งนั้นแต่ถามว่ารู้ตัวไหมรู้ตัว มันเป็นการรู้ตัวแบบลืมตัวลืมตัวแบบรู้ตัวคนศัพท์ท่าเขมาก็ใช้แบบนั้นซึ่งท่านเขมาพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าแต่อย่าเพิ่งสนใจเลยมันเป็นผลการปฏิบัติในขั้นนี้เราต้องรู้สึกตัวก่อนอ่า mm hmm. เราต้องรู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเอาความลืมตัว นั่นแหละมันก็ผลมันก็เป็นเองจะสองสาอย่างที่บอกไปว่าเราก็ทําแค่นั้นเองไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกความปกติความรู้สึกตัวไว้มันจะมีอะไรแทนก็มีความคิดแทนมันมีความคิดแทนก็จะมีคำถามเยอะ คำถามก็ไม่ใช่เรื่องคิดเป็นเรื่องดีเหมือนกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าจินตามายาปัญญาก็คือการคิดวิเคราะห์เราทุกคนก็ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์มาก่อนแล้วเราถึงจะมาเป็นคนบ้าปฏิบัติธรรมเราก็ต้องคิดวิเคราะห์พอสมควรแล้วว่าเออันนี้มันถูกต้องมันก็ใช้ได้มันก็เออประสบการณ์ชีวิตตั้งหลายมันสอนเราให้เรารู้จักหาทางแล้วเราก็พิจารณาทางแล้วเราก็ต้องไปทางนี้แหละ แล้วก็ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแบบว่ามันไม่ได้ผิดอะไรตอนนี้มีกระแสของการพูดถึงเรื่องความคิดเนี่ยจนความคิดนี่เป็นสิ่งที่เป็นมา้ายของนักปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งชั่วร้ายของนักปฏิบัติธรรมจริงๆเราต้องแยกว่าความคิดกับความปรุงแต่งเป็นคนละอันกัน เพราะว่าพอเราเข้าใจว่าความคิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตลอดมันจะมีคําถามตลอดว่าอ้าวแล้วพระอาหารหันต์ไม่คิดเหรออะไรเงี้ยพระอาหารหันต์ไม่คิดแล้วจะโยงยไงชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคิดอันนี้เป็นเป็นสังขารในขันห้าความปรุงแต่งนี้เป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทมันไม่เหมือนกัน สังขารในปฏิจจสมุปบาทมันอวิชาก่อนแล้วก็สังขารสังขาร น, นี่คือความปรุงแต่งภายใต้กิเลสโมหะโลภะโทสะที่มันขับดันให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ยาวไปเรื่อยในสุดท้ายเราก็ถูกเพราะความปรุงแต่งนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจเรามีอวิชชาอยู่ อวิชานี้มันก็ส่งผลให้สัญญาที่เรามีอยู่นิมวิปลาสมันคล้ายๆมันเด้งไปเด้งมาสัญญาอาวิชามีสัญญาวิปลาสเลยส่งผลให้เกิดการปรุงแต่งบนพื้นฐานของกิเลสแล้วก็ขับดันให้เกิดทุกข์ในที่สุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจเราสว่างสวยจิตใจเราปกติอยู่ ปกติที่เปรียบเทียบกับมันสว่างสวยไม่มีความมืดถ้าไม่มีความมืดแล้วอวิชชาเกิดไม่ได้อวิชชาไม่มีอ่ะถ้าอาวิชชาไม่มีสังขารกิเลสก็ไม่มีก็เกิดการปรุงแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเหลื อ, ลอแต่อะไรขันห้าเขาเรียกว่าขันห้าที่มันบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสัญญาที่เรามี มันก็ไม่วิประลาแล้วในขณะที่เราปกติอยู่สังขารความคิดอันนี้ก็เป็นความคิดบนความที่มันไม่วิประลาแล้วมันก็คิดการคิดงานได้ปกติไม่มีอะไรคิดเหตุคิดผลใะไรคิดทุกอะไรได้หมดเพราะมันมีสัญญาโดงวิประลาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้สัญญากับสังขารในขันห้าได้อย่างเป็นคนธรรมดาจริงๆธรรมดาไง ไม่ใช่คนบ้าคือไม่มีประลาศแล้วแต่คนในโลกจิตใจก็เต็มไปด้วยอวิชชาสัญญามก็มีประลาศมีประลาศก็ เ, เลยบอกว่าทําไมมันคนในโลกเป็นคนบ้าก็บ้าแบบนี้ก็มันมีประลาศ อ, อ่ามันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเรื่องความคิดความบูงแต่งเราต้องรู้ว่าคิดกับปรุงแต่งมันแยกกัน ความคิดไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายถ้าไม่มีความคิดไม่มีสัญญาเราจะถ่ายทอดความรู้ไม่ได้โลกนี้ก็จะพัฒนาไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้ว่าไอ้ตอนผูตน้ต้นๆนก็ดีเหมือนกัน เราฟังไ ป, ไปเยอะๆเขาพูดถึงไปๆเริ่มเขียนเพราะว่าเขาไม่รู้สิ่งที่เขาพูดเขาจิก๊กซอว์เองจากจากหนังสือรู้เท่านี้แต่จิก๊กซอต่อนในหนังสือเท่านี้ก็เกิดภาพนึงขึ้นมาแล้วก็พูดตาม น, นั้นเราฟังเราก็รู้เลยว่าแต่ว่ายังไม่รู้เขาถึงบอกว่าถ้าเราจะสอน ธรรมะใครเนี่ยเอาสอนเท่าที่รู้พอถ้าไม่รู้จริงๆก็อย่าพึ่งสอนเลยถ้าต้องพูดจริงๆก็บอกว่าเราต้องอ้างอ้างว่าคนนี้เขาบอกมาแผแลบนีเราก็ฟังเขามาอีกเยอเขาว่าอย่างนี้วินัยของพระเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พระมี่ยอยู่ได้อยู่ได้คือหมายความว่ามีคนอุปธรรมอุปทาน สังเกตไหมว่าสุมพระพเป็นพระราหันแล้วแล้วก็ถือถังตามพระวิินตาบากเขาจะไหว้ใครใไหว้พระจเพราะอะไรคนเขาใช้ตาเห็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีทำไมก็งถึงว่าพระเป็นสิ่งดีเพราะว่าอะไรพระเรียบร้อยพระสำรวมพระอยู่ใน ระเบียบวินัยที่อยู่ได้ยาก <_ d ose> เขาเลยรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่น่าหยกย่อง <_ d ose> น่ากลา้หวายร <_ d ose> วมทั้งโอเคอง ค, ความรู้ต่างๆเราอยู่ในประเทศไทยว่าศาสนาพุพทธพระเจ้ามาแรงไงเป็นยังไงพระทาบุญกับพระได้บุญเท่าไหร่เราก็เคยรู้แบบนั้นด้วยมันก็ประกอบกันหมดแต่ทั้งหมดทั้งสิน้นทำไมเราถึงรู้สึกว่าพระน่าเคารพเพราะว่าพระมีวิ น, นัย เขาใช้ชีวิตดำเนิอนอยู่ภายใต้วินยัยมันเลยดูน่ากราบไหวเพราะนั้นถ้าลองพระไม่มีวินยัยมาเป็นพวกเราใครจะกลาบไหวใช่ไหมาศาสนาจะตั้งอยู่ได้ด้วยกฎระเบียบวินัยที่พุทธเจ้าตั้งขึ้นนี่แหละศาสนานี้มันถึงตั้งอยู่ได้มาตั้ง 2,000 กว่าปีคิดดูองค์กร 2,000 กว่าปี ถ้าไม่ใช่ระเบียบวินัยพระเจ้าอันนี้อยู่ไม่ได้ไม่มีทางอยู่ได้เพราะด้วยระเบียบวินัยกับพระเจ้าเนี่ศา ส, สนาเลยอยู่มาได้อันนี้ในแง่ของว่าจําเป็นแบบนี้ส่วนในแง่ในมุมของว่าเป็นการกดข่มกิเลสไหมอะไรแบบนั้นอันนี้คล้ายๆว่าพระเนี่ยมีวินัยที่บังคับเราหลายอย่างพอเราโดนบังคับไปเยอะเราเป็นไงทุกข์ใช่ไหม โดนบีบบังคับหลายอย่างอยู่ในโลกเราโดนแม่กับพ่อห้ามนิดหน่อยแล้วก็ทุกข์ชะแนอละนี่โดนบีบทุกอย่างเราทุกเราทุกแต่เราต้องอยู่ในนั้นเช่นเราบอกว่าเราจะบวชสามเดือนหรือเราจะบวชตลอดชีวิตหรือเราจะบวชหนึ่งปีอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งสัจจะไว้แล้ว่าเงี้ยศึกไม่ได้อะแต่ต้องอยู่อ่ะแต่ก็ทุกแสนทุกเลยถามว่าจะทำยังไง ธรรมชาติของสัตว์ดินน้นรนจนมีความทุกข์ดิ้นรนไม่ไม่อยากทุกข์จะหาทางให้ได้ว่าไม่ทุกข์ทำยังไงสุดท้ายความดิ้นรนนั้นเนี่ยจะพายเราไปหาทางว่าทำยังไงทีต้องอยู่ที่นี่แต่แบบไม่ทุกข์นะเราก็จะเอ๊ทาไงวะออรู้สึกตัวถ้าเราปกติอยู่เคยฝึกมาปกติอยู่มันก็ไม่ทุกข์อ๋อต้องปกติบ่อยๆเราก็จะเริ่มแเราจะปกติยังไงอ้าวก็มีนึกได้อีกต้องรู้สึกตัว แล้วเดี๋ยวเรารู้สึกตัวไม่เท่าไร่เจอทุกข์มาแล้วก็เข้าไปทุกข์คิดกับทุกข์นั้นแล้วเราก็นึกขึ้นได้โอ้นี่ยทุกข์เพิ่มเพราะเขาไปคิดนี่เองมันก็บี้เราตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราไม่รีบจะรู้ว่าต้องแทนใจบนทุกข์เราจะต้องทุกข์หนักเลยแต่ธรรมชาติของสัตว์ของคนทุกประเภทมันไม่ต้องการทุกข์แต่ในสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยจะทํำอะไรได้ไปหาความสุขไม่ได้จะไปขราเกศ ไปหาแฟนหาเพื่อนกินเหล้าไปผับมันไปไม่ได้มันหมดโอกาสอย่างนั้นไปเลยมันก็เหลือทางเดียวก็คือเกี่ยวกับนี่แหละต้องปฏิบัติธรรมมันถึงจะพ้นทุกข์ได้บริปีบังคับเราเร็วขึ้นว่าให้เรารู้จักว่าโอ้โหความพ้นทุกข์นันมีคุณค่าจริงทำไมเรารู้จักว่าความพ้นทุกข์มีคุณค่าเพราะเราทุกข์เยอะถ้าเราทุกข์น้อยๆเราเห็นความพ้นทุกข์มีคุณค่าแล้วก็ไม่ทุกข์สบายอยู่แล้ว แต่พอเราทุกข์ยิ่งเยอะเหมือนเราลงอยู่ต่ำๆมากๆสุขอย่างเงี้ยโอ้โหมหาศาลเลยความรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากวินัยเนี่ยมันเกิดเลยไม่ใช่ไว้ไว้ให้เราไปถูกกดข่มเนาถักดันเราให้เราจะหาทางปลดตักขหได้มันบีบมันบีเนบ้เราอ่ะมันขยี้เรามันขยี้เราอย่างหนักว่าจะทําไงที่เราจะไม่ทุกข์ดีเพราะฉะนั้น การอยู่ในสมณะเพศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเยอะสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์แสนสาหัสขนาดไหนต่อให้เราไปอยู่วัดที่สบายมีกุฏิมีเตียงมีพัดลมมีทุกอย่างอย่างมากประชันมือเดียวที่ลําบากหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังทุกมหาสาลแปลกไหมเราไม่ต้องทํางานเราไม่ต้องทาอะไร เราต้องคิดมากแต่ก็เราทุกมาหาศาลดีเพราะว่าเพราะนี่แหละเหมือนเราถูกตุนไปไหนไม่ไดยอยู่ในหมอ้อมันจะเป็นตัวช่วยเราแต่ถ้าพอเราอยู่นี้ทุกนิดหน่อยแล้วก็ออกไปแล้วกินข้าวนอกดีกว่าไปดูหนังทักเรื่องก็ดีไปหาแฟนดีกว่าจะได้หาทุกเพิ่มอย่างเงี้ย คือเคยพูดไปครั้งก่อนวนะถ้าเรามีศักยภาพมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมที่เราจะใช้ชีวิตในหนึ่งวันเราเนี่ยที่จะรู้สึกตัวไม่ต้องมีเรื่องคิดเยอะเป็นปกติอยู่เราก็ควรที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นไปเลยที่บอกเราอาจจะเสียเวลาแค่ไม่กิ่ปีอยากจะทำอะไรตอนนี้เอาไว้ก่อน ไปทำเรื่องสำคัญสูงสุดของเราก่อนแล้วอยากจะมาทำให้มาทำก็ทำแต่ไม่มีใครทำหรอกระบบความคิดในแบบเก่าๆที่เราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยทำงานแล้ว <c oughs> มันจะเป็นเป็นปัญญาแทนเราจะรู้ว่างานในโลกหลายอย่างที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะไร้สาะระพอสมควร คือถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วอ่ะเราจะไม่เสียเวลาไปทําอะไรแบบที่เราเคยทำอยู่แต่ถ้าเราโอเคมันขาดแคลนต้องทํางานต้องทําอันนี้ก็แต่รู้ว่าทําได้กพราะอะเพราะอันนี้จําเป็นต้องทําต้องหาเงินอะไรเงี้ยคนที่เขาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ เขาถึงทำถึงความจริงแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสังคมอะไรเพราะเขารู้ว่ามันไรสาระมันไม่มีประโยชน์อะไรเท่า ไ, ร ไ, ไหร่เลยแต่ว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยมันวิเวกไม่ได้ด้วยตัวเองด้วยภาวะอะไรก็ตามที่มันบีบคั้นเราอยู่ที่มันเป็นเงื่อนไขของชีวิตเราอยู่เนี่ยสังฆะจะเป็นพระหรือเป็นชีก็ตามก็เป็นสิ่งที่ รอรับเราอยู่เป็นสังคมที่รอรับเราอยู่คือเวลามันเกิดความอยากกินขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นความอยากใช่ไหมแต่อันนี้เราจะรู้ว่า้ น, นีมันเหมาะสมไหมกับร่างกายเราแค่นั้นเองเรารู้แค่นั้นเองเช็อตไหนช็อตที่เรารู้ความอยากนี่จบแล้วเพรเรารู้ความอยากตัวเราเห็นความอยากอันนี้ตอนนี้จิตใจไม่ปกติแล้ว มีความทยานอยากจะกินอันนี้อยากจะได้มาเราเห็นปุ๊บอ๋อแต่เราก็ดูเป็นไงต้องกินไหมอันนี้เป็นเหมาะสมกับร่างกายเราไหมพอดีกับร่างกายเราไ้มนี่วันนี้เราก็พิจารณาเพิ่มแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าอยากแล้วต้องไม่กินอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเราอยากก็เรารู้ทันก่อรู้ทันวอ๋อตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราอิ่มได้ไหมอะไรเงี้สมควรคือสมควรกับธาตุขันเรา เว่ามันพอดีไหมอะไรแบบเนี้ในขณะที่ ร, รู้สึกตัวเนี่ยเราเชื่ออะไรไหมไม่มีเราตั้งใจจะรู้สึกตัวแล้วเปล่าเรานึกขึ้นได้แล้วก็รู้สึกตัวใช่ไหมเรานึกขึ้นได้แล้รู้สึกตัวใช่ไหมตอนนึกขึ้นได้เราตั้งใจเราไม่ตั้งใจมันรู้สึกตัวเองอเราแค่มีความรู้ในหัวเราจะเห็ว่าพอเขาบอกว่าให้ทำสามอย่างนะรู้สึกตัว ไม่ตามเข้าไปในความคิดถ้าจิตใจป ก, ปกติก็เห็นมันด้วยเราจำไว้แค่นี้แต่เราทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเพราเราจำไว้มีฉันทะความพอใจจะทำสิ่งๆนี้เดี๋ยวมันลึกขึ้นได้รู้สึกตัวเปื้งนขนาดนั้นเราพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการระลึกขึ้นได้เองได้เองแปลว่าอะไรไม่มีใครทาไม่มีใครทำอะไร ขณะนั้นก็เลยเป็นอริยมรรคทันทีแปดองค์ก็ตรงนั้นนั่นแหละทีเดียวเพราะตอนขณะที่เรารู้สึกตัวนี่มันว่างมันพ้นจากความคิดทั้งหมดแล้วแต่ในขณะที่ถ้าเราไปท่องอริยมรรคเป็นข้อๆแบบนั้นแล้วเราก็ท่องจำอยู่ในใจเลยว่าเราจะต้องละอุศลหละสนละสน เหมือนที่พี่เคยบอกว่าอากูสันนี่เหมือนกับของที่มันเกิดขึ้นเฉยๆแล้วการที่เราไปละมันเราก็เอาไปผักอย่างเงี้ย น, นี่ผักมันเราก็ติดกับมันเลยมือเราก็เลอะของสกปรกนี่ทันทีแต่การละอกุศลที่แท้จริงก็คือการที่เรารู้สึกตัวทุกอย่างก็เกลี้ยงมันไม่มีอะไรมันก็เป็นการละโดยสมบูรณ์ อัตโนมัติก็จบอยแค่ตรงนั้นเลยแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อธิบายยากให้กับคนที่เขาเชื่อว่าเขากาลังปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันแต่พลาสติกเหนียวใสมันเห็นได้ยากมันเห็นได้ยากมากแต่จริงๆถ้าเขาซื่อสัตย์ต่อ ตัวเองเนี่ยก็จะตอบได้เขาจะตอบตัวเองได้ว่ารู้สึกไหมว่าวันๆที่ตัวเองกําลังจะปฏิบัติธรรมอยู่เนี่รู้สึกไหมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่รู้สึกมีเราที่พยายามจะทําอะไรอยู่หรือเปล่าถ้ามันรู้สึกว่ามีเราพยายามจะทําอะไรอยู่นั่มีเราแล้วมันเราต้องทําอะไรคําว่าต้องมีมันไม่มีแต่คําว่าหน้าที่และวินัยอันนี้ต้อง แต่ในขณะที่เราอยู่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีคาว่าต้องไม่มีคาว่าต้องทำอะไรทั้งนั้นรู้อย่างที่มันเป็นแบบนั้นเราต้องมีหน้าที่เราต้องมีวิ น, นัยแต่ในการปฏิบัติธรรมไม่มีคาว่าต้องไม่ต้องทำอะไรถ้าเรามีความคิดความจำว่าเราจะต้องทำอะไรเรามีความเป็นคนเกิดขึ้นแล้ว เรามีการเข้าไปจัดการแล้วเข้าไปยุ่งยากกับอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ให้มันเป็นแบบนั้นครูบาอาจารย์ที่เขาเจอสัจจะเจอความจริงแล้วเนี่ยเขาจะไม่สอนกระเด็นออกนอกรูนอกฐานในทางละเอียดก็คือความเป็นคนดีและจะต้องสอนให้พ้นจากคนไป ไม่สอนเป็นคนดีเพราะว่าะไเพราะนักปฏิบัติทั้งหลายที่มาเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมครูบาอาจารย์ทุกคนมันเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องสอนให้ดีกว่านี้แล้วทุกคนก็เป็นคนดีมากในสังคมแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่อะไรใครเพราะนั้นครูบาอาจารย์ ที่เป็นสิทธพุทธะเนี่ยมีหน้าที่สอนนี่เขาพ้นจากความเป็นคนเพราะนั้นมันกิดเ็เลยมีเรื่องพูดอยู่เรื่องเดียวที่จะต้องพูดมากที่สุดยกเว้นได้เจอลูกศิษย์ไม่ดีจริงใๆต้องพูดเป็นคนดีอันนี้เป็นตามสถานการณ์แต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่คําสอนส่วนใหญ่ที่เป็นต่อคนหมู่มากเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ให้ กระเด็นตกไปอย่างอื่นเพราะว่าการที่ลูกศิษย์หรือว่าคนที่ฟังธรรมเนี่ยเขารับข้อมูลไปเนี่ย <c oughs> เขาจะเกี่ยไปคิดหมดเพราะนั้นความรู้ที่มันออกนอกทางพ้นทุกเนี่ยไม่ต้องว่าถูกว่าผิดแต่มันไม่จำเป็นมันไม่จาเป็นมันอาจจะจำเป็นเรื่องอื่นๆบางทีเป็นเกล็ดชีวิตเกล็ดบางอย่างที่จะต้อง ใช้เพื่อจะช่วยคนบางคนอันนี้ก็จาเป็นเอาเคลมันต้องอธิบายเพิ่มเติมมีพระองค์หนึ่งก็บวชบวชแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยไม่มีใครสอนเลยนะนั่งสมาธิอยู่คนเดียวอ่านหนังสือเอานังสมาธิปรากฏจิตมันก็เข้าฌานปุ๊บทีนี้มีอภิญญาเยอะแยะเลยของพิเศษตึมทีนี้ท่านก็เลยช่วยคน ก็คิดว่าต้องช่วยคนมีหน้าที่เป็นภาช่วยคนช่วยคนนี้มากระทักนูดนทักนี่ทักนั่นให้ไปแก้นี่แก้นี่แก้ น, แกแกนั่นรู้หมดอคนเต็มปัด๊ดเลยมาแบบนี้ mm hmm. อ, ะอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งนี่ก็มีพระเดินผ่านบอกว่าท่านถ้าอยากจะรู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยคืนนี้ให้มาที่กุฏิอาตมาพาองค์นี้ก็ เราคุนึกว่าเรามีคุณวิเศษแล้วคุ้นึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่ี้ยเราไม่ับพระเจ้าอันนี้เป็นพระอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายกไ็ไปไแล้วก็พระองค์ที่เรียกไปก็ครวญสอนแหละตั้งแต่นั้นมาก็เลิกเลิกทําแบบนั้นนี่เลยเข้าใจแล้วว่านี้ไม่ใช่ทางปนทุกนี่เป็นทางนี่ทางของชานทางของสมาธิมีของเล่นเยอะแยะ แต่ยัไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปติดอยู่ในฌานนะสุดท้ายก็ต้องเลิกเลิกแล้วก็เดินทางมาก็ะจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าท่านเขมานี่เมื่อก่อนนี่ก็อยู่วชลประทานเนียตัวเองเนี่ยพูดธรรมะได้แบบแตกฌานเลยท่านว่าท่านแตกฌานลแล้วแหละแตกฌานจนคิดว่าตัวเองนี่เป็นคนหนึ่งที่พน้นทุกพนรอนไปแล้ว เห็นไหมว่าความคิดเนี่ยในเพศของพระที่มีความรู้แล้วก็สมมติว่าร่างกายก็แข็งแรงดีทุกอย่างก็สมบูรณ์ดีทุกก็น้อยใช่ไหมถ้าคําต้องการของเองน้อยน้อยใช่ไหมก็อยู่ในเพศของพระแล้ทุกคนก็กราบไหว้ก็ไม่ค่อยมีใครมาให้ทุกเท่าไหร่เออกมาอ่ามันก็เป็นไงมันก็มีความรู้ ไม่ทุกเข้าใจพระไใจปิดกเออก็ทุกอย่างก็โอเคหมดอะไรเนี้ยก็นึกว่าตัวเองนี่คนถกแล้วเทศเทศเทศเทศเทศเทศเทหลูกพเทียนวันนึงเดินมาถามว่าท่านอาจารย์ที่พูดเมื่อกี้พูดดีมากแต่อาตมาอยากจะรู้ว่าความรูน้นี้อาจารย์ได้จากไหนมาทามา่านเขียนมาคือท่านก็เอ่ยใจใเฉยยังไม่ได้คิดอะไร ความรู้นี้ท่านได้แต่ใดมามันเหมือนกับอักระอวนในใจตอบไม่ถูกว่ามันเป็นความรู้ของใครกันแน่ก็ยังคิดไม่ออกนะยังคิดไม่ออกว่าอันนี้เป็นไม่ยังไงวะตอนสี่ทุ่มหลวงพ่อเทียนก็นมาที่ห้องมาเคาะประตู ก, ก็ขอเส้นได้ขอกันไกลพระก็จะพบได้กับกันไกลเป็นพัฒถาบริษาร เวียบจีวอนเย็บอะไรนะี่ถ้าเขียมา้วอะไรหลงตาอมค์ท่เจ้าอะไรก็เอามาให้พ็ถามจะตัดเลยไหมถามได้ครับหลวงพ่อเทียนตัดชับเลยแล้วหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าถ้าท่านอาจารย์มาไม่ถึงตรงนี้แปลว่าท่านอาจารย์ยังไม่เจอพระพุทธเจ้าเลยเพราะนั้นความรู้ธรรมะอันนี้เป็นความรู้ที่ออกมาจาก ประสบการณ์จริงจากใจตัวเองไม่ใช่เป็นการไปอ่านตำลามาวิเคราะห์ตำลามาเก่งๆแล้วก็แสกฉานในตำลาแล้วก็นึกว่าตัวเองมีบรรลุธรรมแล้วด้วยนึกว่าไม่ทุกข์แล้วด้วยอะจะเห็นว่าแม้ว่าคนที่อยู่ในศาสนาพุทธซึ่งมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประเทศไทยมีคนปฏิบัติอีกจำนวนหนึ่งไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นีสิบเเซ็ มีสายอีกเท่าไหร่ไม่รู้คนสอนที่รู้จริงเนี่ยมันมีอีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีอีกกี่คนที่ตามคนสอนที่รู้จริงเนี่อีกกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแทบจะนับเป็นอร์เซ็นต์ไม่ล่ะที่ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในศาสนาพุทธจะจะเจอทางที่ถูกต้องที่เราจะทำได้แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่มี คุณปุปการอย่างท่านเขียนมานันทานีิฉันก็ต้องเคยหลงทางมาแล้วกับความเชื่อตามความคิดแบบนึงว่าถ้าเราเข้าใจทฤษฎีทั้งหมดแล้วเชื่อมโยงกันได้หมดอะไรเป็นอะไรอะไรลิงก์กับอะไรนั่นก็คือเราผลถูกแล้วมันไม่ใช่แบบนึงเหมือนหลวงพ่อสุมรโนนี่จะเคยพูดว่าถ้าเป็นพระเนี่ยพระที่ดูมานานเนี่ย พรรษาเยอะๆเลยนั่งหัวแถวแล้วอะ่ะจะไปถามใครเรื่องปฏิบัติธรรมนี่ยากอะเพราะไม่มีใครกล้าสอนนีน่คืออย่างแรกอย่างที่สองที่เป็นอันตรายมากก็คืออะไรพรรษาเยอะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครบิดคันครับสบายมีลูกศิษย์ด้วยบางทีไม่ค่อยทุกข์อะไรไม่ทุกไม่ร้อนก็อลไร ก็ไม่ต้องพนถุกพราะนึกว่าตัวเองไม่ถูกไม่รอยแล้วเพราะนั้นมันเลยเป็นกับดักอีกชั้นหนึ่งกับดักมันเยอะกับดักมันเยอะมากที่เราจะไปติดอยู่ได้เพราะนั้นซื่อสัตย์กับตัวเองนี่สำคัญที่สุดที่เราจะวัดตัวเองได้ว่าเรายังเหลืออะไรไหมกิเลสอะไรที่เรายังเหลืออยู่เรายัง เรายังต้องพักเพียรต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความพักเพียร น, นี่ก็เป็นภาษาเหมนะือนกันวันนี้เรายังต้องพักเพียรหน่อยวันนี้เรายังต้องฝึกที่จะรู้สึกตัวมีวิ น, นัยมีหน้าที่ที่เราจะต้องฝืนตัวเองขึ้นมาตื่นตีสี่ขึ้นมาเวลานี้เราต้องเดินเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่แบบนั้นเราต้อง เราต้องทำก่อนเหมือนกับเราต้องภาคเพียงแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งเราก็ไม่ต้องภาคเพียงมันก็จะโฟล์ไปตามธรรมชาติเองเพราะว่าถ้าเราจะทำอะไรมากกว่านี้มันก็ทำไม่ได้มันเหมือนเราจะทาที่บอกไม่จะกลับมาบีเราจะทำเพราะฉะนั้ น, นอัตราเร่งมันเป็นไปได้แค่ตามธรรมชาติที่มันจะเป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้มันไปได้แค่นี้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตอยู่ต่อไม่ทันเพราะอัตราเร่งมันเร่งขึ้นไม่ได้เราคงต้องไปเกิดใหม่อีกรอบนึ่ <c oughs> วัพราะนักข่าก่อนเลยพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องขอทานพระพุทธเจ้าพูดว่าสามีภรรยาคู่นี้ถ้าเลือกจะไปบวชปฏิบัติธรรมตอนนี้เลยจะได้เป็นพระอรหันต แต่เขาไม่เอาเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเจออีกก็บอกว่ายังได้ี้ยเป็นพระนาคารมียกันได้ผ่านไปเจออีกยังได้อันนี้ยังเป็นสกิทาคาเมียกันได้โฟราบันยังได้ยังทนสุดท้ายเจอครั้งสุดท้ายพระลูกศิษย์กระถามพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ยังได้ไหมเจอทีเป็นขอทานแล้วพุทธเจ้าบอกตอนนี้ไปบวชก็ไม่ได้เลยนะ เวลาไม่พอถึงบอกว่าถ้าเราเรีบลงทุนให้ถูกทางตั้งแต่วันนี้เราจะคุ้มเกินคุ้มนี่เขางไหมมันน่าเสียดายไหมยูวดีเราเนี่ยรู้ทางที่ถูกต้องแล้วเราอยู่บนเส้นได้เล็กๆอันนี้แล้วซึ่งแทบจะน้อยคนจะรู้เส้นทางนี้แล้วเราว่าเออเอาไว้ก่อนไปทำอย่างอื่นก่อน สมมติเป็นโซดาบานแล้วตามตำราว่าเกิดแล้วก็อีกเจ็ดชาติไม่เกิดแต่เจ็ดชาตินี้ไม่ใช่สบายชาตินี้เคยทุกข์แบบไหนกับร่างกายมันก็จะทุกข์น้อยหรือทุกข์มากว่านี้เราไม่รู้กรรมเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมางแต่รับรองว่าทุกข์ถ้ามีไอ้นี้อยู่ถ้ามีร่างกายนี้อยู่ต้องทุกข์เอ่อทุกข์เพราะเราต้องอยู่กับมันเป็นอสุภะใชไหมเหมือนเราอยู่กับกองขี้อ่ะเหม็นทั้งวันนี้ เพราะนั้นก็คือถ้ายังเกิดอยู่มันก็ต้องมีเวทนาเจ็บปวดต้องพาตัดนู่นนี่นะั่น <c oughs> ก็ต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็ไปคุ้มถ้าเกิดว่าเรายังเลือกที่จะปล่อยปละละเลยแลกเวลาเขาเรียกว่าแลกเวลาแลกเวลาทิ้งไปกับของไร้าสาระเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ อยู่ที่เราับบคำว่ามุ่งมั่นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตถ้าเรารู้จักเลือกโหโอกาสนี้เป็นของเราเราจะได้สัมผัสว่าในขณะที่เป็นพระอรหันต์เราต้องอยู่ในโลกเป็นยังไง <laughs> พวกเราปฏิบัติสังเกตไหมเรารู้ใช่ไหมรู้สึกตัวกันมาไหมเราก็หลงไหมไหมเดี๋ยวเราก็รู้สึกกัวกันมาไหมเดี๋วเราก็หลงไปไ่ม มันจะมีรู้มีหลงมีรู้มีหลงเนี่ยตลอดแต่ว่าวันที่มันเป็นเองแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนการรู้หลงนี้หมดเลยไม่มีมีแต่เห็นอย่างเดียวเรียกว่าเห็นล้วนเลยเห็นล้วนไม่หลงแล้วเมื่อก่อนไม่กล้าพูดเพรามันหมดรู้หมดหลงเราไม่กล้าพูดเอาไม่มีหนังสือเล่มไหนบอกกันนะทีนี้ว่าถ้าคิดมาบอกว่ามันจะเข้าถึงสภาพเห็นล้วน ก็มีเห็นล้วนคือมันหมดแล้วรู้หลงนี่เป็นของครูเห็นล้วนคือหมายว่าอะไรเกิดมาแล้วก็เห็นหมดแล้วจะทําอะไรเนี่ยมันทําทอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเราต้องคอยรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องคอยรู้สึกตัวแล้วออะไรเกิดมาแล้วก็เห็นหมดเลยเห็นอยู่ก็ทําได้แค่นั้นในความก้าวหน้านทางปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีขั้นมีตอนเนี่หลาเรียกว่าผลผลเนี่ยอาจจะเป็นขั้นเป็นตอน แต่การเดินทางเนี่ยหนึ่งีขันนตอนเข้าถึงก็ถึงเลยแต่ถึงให้มันนานบ่อยๆถึงให้มันต่อเ น, นื่องถึงให้มันเป็นแม่นในใจเราเลยเหมือนเราต้องหายใจอยู่แล้วต้องกินข้าวเราไม่ลืมเลยดีพอแล้วการที่เราไม่ลืมแล้วเรามีหน้าที่นในชีวิตเนี่ยส่อให้ทําการทํา ง, งานทําอะไรเกิดเดี๋ยวมันต้องกลับมานอกกลับปรือหลงไม่เวลวประเดต้องกลับ มันเชื่อนี่มันไม่มีทางหมดไปมันจะอยู่กับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราเราอยากจะเกิดอีกเทาไหถ้าเราเด็ดชาติเราเต็มที่มันก็เป็นผลซึ่งการละกันโอกาสที่เราจะไม่ต้องเกิดก็มากขึ้นเป็นใบบางความา ม, มุ่งมั่นของเราเมื่อเราจะเลือกชีวิตแบบไหน โลกเรานี่มันมีทางเลือกให้เยอะมากแต่พวกเราเงื่อนไขเยอะวัดก็มีะชีก็มีใช่ไหมแต่เรา๊ยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้มันก็มีเงื่อนไขของตัวเองมันต้องมยนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างโน้นมันก็เยอะแต่ถ้าพูดถึงความสมบูรณ์จริงของของชีวิตเราทุกคนตอนนี้ในประเทศนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์กว่นี้แนละ้ว ต่อให้ไม่มีเงินก็มีที่จะให้อยู่